ต้นือนี้เดินเดียวกาดไปประเทศพม่าเป็นการไปครั้งแรก ท, ทั้งที่อยู่ใกล้แต่ว่ามันเหมือนอยู่ไกลมีบางคนเรียกไปได้เพาะว่าใกล้แสงใกล้ไกลแสงไกลใกล้ ใ, ในทางคุณวิชาแต่ว่าไกลในทางความรู้ เข้าใจและความรู้สึกผูกพันพมายเป็นประเทศที่ตั้งใจอยากจะไปตั้งแต่เป็นคาราวาสนะ์แล้วหน่วยเป็นคาราวาส์มี3าประเทศที่อยากจะไปามพมา่าแล้วก็บาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นพ ม, มา่าบาหลีญี่ปุ่นเพราะว่าสนใจเรื่องประวัภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ก็มีความ เรีว่ารักษาเอาไว้ได้อย่างอย่างมั่นคงพอสมควรในความเข้าใจตอนนั้นก็ได้ไปหมดบาดีญี่ปุ่นแต่ว่าเขามายังไม่ได้ไปเลยและหลังก็เพราะว่ามันด้วยผลทางการเมืองคือไม่ค่อยชอบผู้ปกครองที่ประเทศนั้นไม่ชอบระบบเผด็จการ ก็ไม่อยากไปสนับสนุนด้วยการท่องเที่ยวและไปก็คงจะไม่มีความสุขเหมือนตอนที่ไปที่เบสก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเห็นเห็นนักเองทหารจีนเขาทำตัวแสวงอำนาจบตรใหญ่ ไม่ใช่กับคนที่เบรกรอยวกับนักท่องเที่ยวก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ใช่เป็นที่ที่จะไปเที่ยวให้สนุกได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกถึงความบีดคั้นของผู้คนความถูกบีดคั้นของผู้คนแล้วก็ผู้คนก็ตกอยู่ภายใต้การเอาละเอาเปรียบที่มันเห็นได้ชัด ถ้ามันเห็นไม่ค่อยชัดก็แล้วไปแต่ถ้ามันเห็นชัดๆอย่างนี้เรื่องจะเป็นใจเราที่ไปเพ่งไปจ้องมันถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะไม่รู้สึกแต่พอเราไปเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยที่ว่านี่มันไม่ใช่เป็นที่ที่จะไปเที่ยวถ้าไปพมาเที่ยว น, นี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปเพื่อที่จะพบปะ ประสงค์เพื่อซึ่งเขาจะรับความดีบคันจากรัฐบาลเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ไปให้กำลังใจด้วยแล้วก็ไปดูว่าจะช่วยและเขาได้บ้างตามกำลังถือว่าเป็นการแสดงมิตรภาพจากชาวพุทธในประเทศอื่นก็ไปกันกลุ่มเล็กๆคิดแล้ววไปกลุ่มใหญ่ แต่ว่าตอนหลังก็เหลือน้อยลงน้อยลงพราคนส่วนก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยใครๆพอรั่วไปทำมาก็เตือนด้วยความหวังดีหรือด้วยความห่วงก็ไปทำไมก็ก็ไปได้วยความไปได้วยความตั้งใจดีแต่ว่าไม่มีความมั่นใจเลยสักอย่างเพราะว่าคนท้องถิ่น ไม่มีคนไหนที่เขายืนยันว่าจะให้ความร่วมมือคือไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรบ้างจะไปเจอใครบ้างไม่รู้เลยเป็นการไปที่ประหลาดมากไปโดยที่ไม่มีแผนการอะไรเรียกว่าไปตาดับหน้าแทๆ้ๆในครมานี้เขาก็มีการ เรีว่าหูตายิปสัพเลยของรัฐบาลนักไปถึงนักแท็กซี่ก็ลองถามสักสารพัดอาจจะถามเพราะว่าจะดูช่องทางว่าจะห า, หาประโยชน์จากราอยยังไงได้บ้างในถานะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็แสดงความแปลกใจที่ว่าเรา่าย่างกุ้งสี่วันเลยอยู่ย่างกุ้งตั้งหวันเลย พรปกตินักท่องเที่ยวไม่มีใครอยู่ห้ังย่างกุ้ง5วันส่วนใหญ่ก็อยู่แค่วันเดียวแล้วที่เหลือก็ไปมันดดลเล่ไปพุกกาตแต่วันนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งฝรั่งสองไทยสองนี่อยู่แต่ย่างกุงอย่างเดียวมันก็เป็นที่ปิดสังเกตแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซักอะไรมาก แต่ก็ก็รู้ว่าเรากลายเป็นที่จดจับจ้องก็เพราะว่าพอมีเพื่อนอีกคนหนึ่งตามมาห่างกันแค่สองชั่วโมงคนละสายการบินแท็กซี่อีกคันมึงก็บอกว่ามีพระมีฝรั่งมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้กลายว่านักท่องเทีย่ยวแต่ละคนก็อยู่ในความสังเกตของเขาของของแท็กซี่ก็ ไปพ ม, ม่าม้วก็มีเรื่องที่ได้เห็นได้ได้รู้สึกหลายอย่างแต่ว่าที่จะเล่า น, นี้ก็จะพูดถึงส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ได้ไปคือการได้ไปเดือนเจดีเชวิตรกองซึ่งเพลิอนอยู่ใกล้ๆกับที่พัก ไปพักที่โรงแรมเพราไม่รู้จะไปพักที่วัดไหมนไม่รู้จักใครแล้วก็ก็ไปแบบเรียกว่าสมาทานเป็นนักท่องเที่ยวเต็มที่เพื่อไม่ให้เป็นที่ระแวงสงสัยเพราะว่าวัดตอนนี้มันกลายเป็นที่จ้องจับจ้องของของผู้คนของตำรวจมีวันหนึ่งไป ไปเยี่ยมวัดหนึ่งซึ่งเขาสอนเขาเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาสอนเด็กกำพร้าเด็กยากจนประมาณห้าอยู่ชัยเมืองยางกุ้งมีคนแนะนําไปในโรงเรียนสอนเด็กวัดที่สอนเด็กกําพร้านี่มีเยอะมากเลยเป็นร้อยๆเป็นเกือบ200แห่งในยางกุ้งอห่งเดียวเด็กยากจนมีมากเด็กกาพรา้า ซึ่งมันแสดงมันบ่งบอกในความล้มเหลวของรัฐบาลว่าปล่อยให้ขณะาการศึกษาพื้นฐานนี้ยังไม่มีเด็กเด็กไม่มีกำลังหรือไม่สามารถจะให้ไม่สามารถจะเข้าถึงเด็กที่ยากจนได้จงกัะทั่งวัดต้องมารับภาระให้กับสอนดูแลเด็กเหล่านั้นก็เลยไปวัดหนึ่งดูแลเด็กประมาณ500ร้ย จกจุดอะทั้งนั้นเอาเราก็เอาพปมาม่ามาม่าที่นั่นก็เป็นที่รู้จักดีแต่ราคาแพงเป็นสองเท่าของที่เมืองไทยแต่ราคาข่าของที่นี่เขาต่ำกว่าเราเอาจจะหนึ่งมสิบก็ได้ต่ำแค่หนึ่งเมตสิบท่านั้นะเอาไปแจกก็ มีคนขับรถชาวพม่าไปด้วยคนขับรถนี่เขาก็เป็นคนขับรถของเจ้าของโรงเรียนดนต ร, ตรีซึ่งเป็นชาวอเมริกันซึ่งน่าสนใจมากเอาไปแจกก็มีตำรวจนอกเงแบบเข้ามาถามพระถามครูในวัดว่าเป็นใครไอเราไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าสนใจแต่การก็ไปเยี่ยม ตามชั้นต่างๆในใ น, ในวัดแต่ว่าคนขับแล้วเขาได้ยินว่าเขาพูดภาษาพมากก่ากันขาบกลับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าม า, า, มาถามมันเร็วมากแต่เป็นพราวัดนั้นก็มีพระหลายลูกที่ได้ไปร่วมประท้วงแล้วก็ลบลีหนีหน้าหายไป มีผ้าอยู่50ได้200ได้แต่ว่าตอนนี้เหลือ50ที่เหลือ150กระาก็จะกระจิงไปไม่รู้ว่าอยู่ไหนหรือว่าชตาการเป็นอย่างไรแล้วที่ไปนี่ก็ก็จะพูดถึงเรากำลังจะไปเจอกระป๋องนั่นคือเจอกระป๋องนี่มันต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่มากแล้เฉพาะเฉพาะทองนี่ก็เรียกว่าอาลามอาลามทั้ง ต้ององเป็นทองแท้ๆเขาเอาเอาทองนี่มามาหล่อเป็นแผ่นเล็กๆสีเป็นแผ่นสีเหล่ยมเล็กๆประมาณเ่าฝ่ามือแล้วก็ต่อๆๆๆกันไปมีสกรูเจาะเอาไว้ถึงเวลาก็ถ้าทองนั้นถึงเวลาก็เอามาถอดมามาขัดให้เงาให้เป็นวาววาววววาว ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็ น, ปนหมหาเจดีย์ที่งดงามทั้งเพราะเพราะรูปแบบแล้วก็ความเป็นทองสีทองที่อร่ามเหลืองหรือว่าะตอนเช้ามองจากที่ไกลๆกลพอาทิตย์ขึ้นอรุณลุกนี้งามมากข้างบนนี้ก็เป็นชัด ที่ผู้คนต่างอุทิศแหวนใส่คอต่างหูเอามาเอามาประดับที่รู้อย่งีเพราะว่าเขาเอาชัันเก่ามาก็ราะอันเก่าที่ที่ทคก็ เ, เปลี่ยนใหม่ชันเก่าซึ่งคงมีอายุ2 3 0 0ปีแล้วเขาเปลี่ยนฉันอยู่ ลองสามวัปีก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งฉัดอันเก่าก็มาตั้งแสดงไว้ดูื ใ, ใกล้ๆก็โอ้โหเห็นมีมีมีแหวนมีสร้อยมีหวีมีต่างหูเป็นทองทั้งนักหรือไม่ก็เป็นเพชรนินจินดาแบบนี้เป็นของแปลกสำหรับเราเมืองไทยไม่เห็นหรือ่จะมีแต่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สังเกตแต่ที่แปลกที่น่าสนใจกนะ็มีคน ชาวบ้านเรียกคนทุกระดับั้งเรียทุกระดับทั้งยากจนทั้งชาวบ้านทั้งคนมีเงินมีฐานะคนมีการศึกษามามาสวดมนต์มานั่งสมาธิต้องเรือตลอดทั้งวันเพราะว่าไปตอนประมาณหกโมงเช้า คือเดินไปจากโรงแรมกใกล้ๆเดิประ ม, มาณสินาทีก็ถึงสนะิโมงเช้าก็เห็นคนเยอะแยะแม่ชีพระชาวบ้านมานั่งสวดมนต์นั่งทำสมาธิบางคนก็มาถวายอาหารหรือมาถวายอาหารจากพวกลูก ป, ประจำวันเกิดลดน้ำรูกประจำวันเกิด แล้วตอนเย็นค่ำไปถึงก็อีกที่ไปไปนั้นประมาณตอนเย็นก็มีคนเยอะเรียกว่าเป็นเป็นสถานที่ที่มีความมีชีวิตชีวามากยึ่งไม่เอาว่าเมืองไทยที่ไหนที่เป็นภูชิดชสถานที่มีที่บุลําบลาแล้วก็ยังมีความมีชีวิตชีวาคือไม่ใช่เป็นที่ที่ไปเที่ยว ไม่ใช่เป็นที่ที่ไปเที่ยวแต่ว่าเป็นที่ที่คนไปทําสักการะบูชาไปสวมดมนต์วดท่านตาสุเทพก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นให้บรรยากาศอย่างนั้นแต่นี่คนนั่งตามพื้นตามลานลอบเจดียชัยกรองยนข้าวปูอินอ่อนคนถอดรองเท้าตั้งแต่เข้าวัดอันนี้เราคงรู้ดี คนก็เดินประทับสินก็มีนั่งสวนมนตร์รมสมาธิเป็นที่ที่ผู้คนเขามีความศรัทธา ม, มากต้องเรียกว่าเป็นเป็นเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้คนที่ิงช่วยลช่วยกองอี้เป็นของต่อไปก็เป็น เป็นของมอญนะเป็นของมอญแต่ว่าพมา่า ช, ชนชาติพม่า ก, ก็มายึดแล้วก็มามาบวชแล้วก็มาพัฒนาต่อเติมสำแต่งบางคนก็มานั่งจ้องพระอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเป็นธรรมเนียมเขาเหมือนกันคือเวลาพระอาทิตย์จะตกเนี่ก็จะมีคนจ้องมองพระอาทิตย์เอาพระาทิตย์เป็นกระสิน แล้วว่ากล้ามามีมีด้านที่ตอนตกเสียงต้เป็นลานที่คนมาเพื่อเป็นลานสำลิร้านสำลิกหมายถึงเป็น้านที่ผู้คนมามาสวดสวดภาวนาเพื่อขอพรให้บรรลุให้สำลิดผลของว่าบุเรงนองตอนที่จะไปตี ไปยึดเมืองอาณาจักรต่างๆในพามา่อาอาณาจักรชยมกลุ่มน้อยยักษ์ไขมอญมามาสดมนันมาภาวนาตรงมุมนั้นตรงลานนั้นคือถ้าเราดูบรรยากาศอย่างนี้นี่ก็เรียกวา่าผู้คนเขามีความสงบมีความศรัทธามีความเรื่อมใส่นับถือศา ส, สนาพุทธก็เป็นกลมกลืกเนเข้าไปในชีวิตของผู้คนมากในสิ่งนี้มันขัดแย้งกับสภาพ สภาพทางการเมืองที่เราเห็นว่าผู้คนก็ได้รับความบิบคั้นมากซึ่งมันมันก็เป็นภาพตัดกันในตัวว่าดินแดนในสถานที่ที่เรียกว่าหรือว่าดินแดนที่ผู้คนเขามีความมีความเลื่อมใสนะเลื่อมใสในในาศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งสันติเป็นศาสนาแห่การไม่เบียดเบียนแต่ว่าในดินแดนนั้นก็เต็นบรรยากาศบีบคั้นแต่ว่าเราไม่เห็นนะบรรยากาศเราไม่รู้สึกเวลาไปพม่าเนี่ยไปย่างกู้จะไม่รู้สึกถึงว่าบรรยากาศมันตึงเครียดถ้าไปแบบนะักท่องเที่ยว ไม่เหมือนในตอนไปเที่ยวที่เบลเราจะเห็นทหารจีนอยู่เยอะแยะแต่ในย่างกุ้งนี้แทบจะไม่เห็นทหารเลยตำรวจก็เห็นน้อยมากเมื่อเราพูดถึงตำรวจจราจรไม่มีเลยเพราะว่ารถหลาก็ไม่ได้เยอะมากไม่เห็นตำรวจจราจรสีแยกไฟแดงไฟเขียวก็มีน้อยท่างที่ตอน ตอนนี้กรถดหลาก็เริ่มเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ต้องอาศัยตำรวจจราจรเท่าไหร่เราไม่รู้สึกถึงควา ม, มรึงบรรยากาศที่หวาดระแวงและเต็มไปด้วยความกลัวแต่ถ้าคุยกบผู้คนก็จะรู้สึกได้คือถ้าแบบต้องท่องเทีเยอะโอ้โหมองยากูนีนาอยู่สงบ รถ ล, ลาก็ไม่เยอะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่นำปวดหัวกับรถติดอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีข่าวทะเลาะเบาแวงกันระหว่างพรรคการเมืองมีแต่ข่าวดีๆของรัฐบาลว่ากําลังยกะพัฒนานุน่นพัฒนานี้อ่านข่าวเราจะมีแต่ความสบายใจเพราะมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นไม่มีข่าวขัดแย้งกันไม่มีเรื่องดาราตบตีกันเปิดวิทยุก็ไม่ต้องมาปวดหัวกับข่าวอาญา ก, กรรม หรือว่าเปิดโทรทัศน์ก็ไม่มีการเล่ารายงานข่าวที่มันซีเรียสแล้วก็กดูน่าจะเป็นที่สบายใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเต็มไปด้วยบรรยากาศความอึมครึมแต่จะว่าไปหลายคนคนส่วนใหญ่เขาก็เหมือนก็ปล่อยวางได้นะคือแม้เขาจะรู้ว่าบ้านเมืองมันไม่ดี แต่ว่าเท่าที่เราสังเกตก็ก็สามารถที่ดำเนินชีวิตตามปกติได้เมื่อกว่ามันเป็นเรื่องที่ลืมๆไปซะนะก็ทห ม, มาตินกันตาปกติตอนเช้าเราก็จะเห็นผู้คนมาเดินความข่อยออกกลากลังกายเลยพอาตรงลานหน้าเจดีย์เวดตะกองเป็น้านใหญ่เป็นสวนสาธารณะก็มีผู้คนมา มาออกกำลังกายเยอะมากก็คงบรรยากาศคล้ายๆกับสวนลุมนั่นแหละเป็น บ, ญญนบรรยากาศยางเช้ามีอากาศที่ดีมากเพราะว่ายางกุ้งส่วนใหญ่นี่ก็เป็นถนนถน น, น ก, ก็โล่งต้นไม้สองข้างทาง ก็มีคําถามว่าศาสนาพุทธก็คงมีส่วนทําให้ผู้คนเขาเหมือนกับว่าจะปล่อยวางปล่อยวางชั่วคราวแนละ้เพราะว่าเอาเขถ้าจะประท้วงเมื่อไหร่ก็ก็มากระม่นนั้นแล้ประท้วงแต่ละครั้งก็ก็อาศัยอาศัยสัญลักษ์ทางศาสนานี่แหละก็คือเจยเจดีชเวดกองกับเจดีสูเลสูเลนี่อยู่กลาง อยู่ย่าศูนย์การค้าย่าศูนย์การค้าเพราะฉะนั้นถ้าจะลวงคนประท้วงก็ต้องไปเ จ, เจดีสูเลยเพราะคนเยอะดีแล้วก็การทำร้ายการยิงกันก็เถ่านั้นแหละคือไปแล้วมันก็ได้เห็นหรือว่า การที่ผู้คนก็จะบทบาทของศาสนานี้มันก็เป็นบทบาทที่ที่ก้ามกึ่นกันในแง่นี้ก็สามารถที่ใดผู้คนจะสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องทรมานมากคือไม่ต้องคือเขาก็มีมีเครื่องที่จะช่วยทําให้พื้นที่นใน จ, จิตใจหรือว่าทําใจให้สงบทําใจ ให้สามารถที่จะลบวางสิ่งเหล่านี้ไปได้ไม่จะเป็นการชั่วขาวก็ตามแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้คนเหมือนกับว่าคมือนกับว่ายอมขายความวิตตุอลุนขายความวิหลุนที่จะ ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าถามถึงปัญหาของคนพม่าเวลานี้จะว่าไปในเมื่อสถานบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้ยากมากคุยกับใครทุกคนก็เหมือนกับว่าไม่มีความหวังแม้กระทั่งคุยกับสจ้าตที่สถานคุยกับนักข่าวคุยกับหวัวหน้าสถานทูตก็ของอเมริกัน ผู้คนก็ไม่มีความหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จากแรงกดภายนอกเล่นแต่ว่าเกิดแรงเปลี่ยนแปลงจากภาย ใ, ในและเมริการอย่างนี้การที่ผู้คนเขาการที่ผู้คนเขาต้องยอมรับกับสภาพอย่างนี้แล้วก็ต้องหน้าตั้งตาที่จะดำเนินชีวิตไปได้ตามปกติหาทางที่จะ ดูดูแลลูกหลานครอบครัวให้อยู่ได้มันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีอยู่สำหรับเขาดีกว่าที่จะไปเป็นพวกบ้าข้า่งหรือว่าเครียดหมดอะไรตายยากกับชีวิตในตรงนี้นี่มันก็แต่สิ่งหนึ่งที่น่าน่าเป็นห่วงคือสถานะของพระสงฆ์ในพมา่า เพราะว่าดูแลศาสนาในพม่านี้กาลังกําลังเลียวลงไปทุกทีเลียวลงนี่หมายถึงว่าอยู่ในสภาพที่กําลังถอยหลังถดถอยที่จริงมองในีง่ตัวเลขในพม่านี้ก็เป็นประเทศที่แปลกเพราะว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่คนที่บวชพระก็มีมากขึ้นมากขึ้น ยีปีที่แล้วมีพระเนรแค่ 20,000 นแต่ปัจจุบันเรามีประมาณ 40,000 นได้ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีทุก ป, กปีซึ่งมันสวนกระแสของโลกอย่างเมืองไทยหรือว่าอย่างจีนอย่างเมืองไทยอย่างญี่ปุน่นหรือว่าศาสนาคริสต์จานวนพระหลาดหลวงมีน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่ว่าพมานี้จำนวนพระนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเจ้เงินทั้งปัจจุบันนี่มันเกือบ5้าแสงกัไปแล้วรวมเหลงด้วยนะซึ่งมากกับามากกไทยเกือบเท่าตัวแต่ว่าตอนนี้พระสงฆ์ก็เรียกว่าไม่เป็นอันศึกษาปฏิบัติทำกันแล้วเพราะว่าถูกรัฐบาลบีบคั้นมาก โดยเพาะหลังจากเดินกันยาเป็นต้นมาก็หนีกันไปเยอะไม่รู้ไปอยู่ไหนได้เหนี่ยกบไปแม่สอดกลัมาากพม่า ก, ก็ไปแม่สอดก็ได้พบพาพม่าที่หนีมารีพายมาอยู่เมืองไทยเยอะพวนิการ์สากนา็นี่ว่าใช้ได้ตามระบบนะแต่ว่าตอนนี้ก็ ไม่มีที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีที่จะศึกษามีที่จะอยู่ได้ซ้ำอันนี้ก็กำลังจะต้องหาทีวอนส่งไปให้ท่านอยู่ในเมืองไทยได้ในสภาพที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ มันก็น่าคิดนะว่าในบรรยากาศแบบนี้นถ้าถ้าเป็นถ้าเราอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้เราจะทัาอย่างไรเพราะว่าไอความบีบคัานมันเยอะมากการเอาการการที่เรามีธรรมะเมเป็นเครื่องรักษาใจ อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่จากขณะดเดียวกันความรับผิดชอบต่อสังคมมันก็เป็นสิ่งที่เราคงจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อวานก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของอดีตพระมนโนแล้วก็เล่าถึงว่าได้เคยคุยกับชาวพุทธ ที่สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมก็อย่างพวกธรรมกายหรือหรือไม่ก็ก็ไม่ได้พูดให้ชัดผู้ว่าเนี่ยจะมองปัญหาโสเภนีปัญหาการปัญหาแมงดายอย่างไงโดยใช้หลักพุทธก็บอกว่าก็ใช้หลักไตรลักษณ์เนี่ยก็คือว่าโสเนณีก็เป็นนิจจังการ โชนี้กาป็นิจังไปทุกครั้งแมงดาก็เป็นอลัสตานะมันก็อยู่ได้ไม่ไนานก็ต้องเสื่อมสลายหายไปม อ, อยนั้นก็จบหรือมอยอีแบบนี้ก็มองว่ามันเป็นกรรมเก่าของเขาที่ต้องใช้แล้วก็จบไปในสภาพเช่นนี้นะก็จะเป็นความทิ่องคนจานวนมาก มาแค่ไหนเราก็ไม่รู้คือเป็นการมองเพื่อเป็นการมองมองเสร็จแล้วก็แทนที่จะเกิดความเปิดความตันหนักที่จะแก้ไขหรือเกิดความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยก็กลายเป็นการปล่อยวางแบบไม่รับผิดชอบ อันนี้มอนี่ก็ดีคือว่าก็ทําให้ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับปัญหาขผู้คนมาแต่ว่าความทุกข์ร้อนมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าว่าเรารู้จักรู้จักใช้ให้เป็นก็คือว่าทุกข์ร้อนแต่ว่าก็รู้ว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องฝึกจิตได้อย่างหนึ่ง ทุกวันนี้เราหนีความหนีหนีความรู้สึกต่างๆที่ไม่เป็นไม่เป็นมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจเพื่อไปหาความรู้สึกที่สบายใจแล้วก็ไปคิดว่านั่นแหคือการคือการปฏิบัติธรรมแต่ที่จริงแล้วแม้ความรู้สึกไม่สบายใจมันปรากฏมันแสดงอาการอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องหนีมันจะได้ถ้าเรารู้จักใช้มัน ในเมื่อมแม้มันนอนเป็นความทุกข์ก็ตามแต่ไม่ดีที่ว่าเราจะจั ด, จดการอย่างกำมันอย่างไรเหมือนกับที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยทำที่ประพฤติแล้วยอม น, นําสุขมาให้ตนลองสังเกตดีๆฟั ง, งพิจารณาดีๆทําที่ประพฤติแล้วยอม น, นําสุขมาให้ตนทําที่ประพฤติแล้วนี่คำว่าดีนี่คือเน้นที่ความว่าประพฤติ ไม่ได้เน้นที่ตัวธรร ม, มายถึงแม้ว่ามันเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าเราประพฤติดีหรือเกี่ยวข้องกับมันดีก็นําความสุขมาให้ถ้าไม่ได้ใช้คําว่าอากุศลธรรมนําสุขมาให้อกุศลธรรมนําทุกข์มาให้ไม่ใช่แต่เน้นตัวเน้นที่ตัวการประพฤติ ทำอะไรก็ตามธรรมะอะไรก็ตามไม่ว่าจะบวกหรือจะลบกุศลหรืออกุศลก็ตามแต่ถ้าเราประพฤติดีนะมันก็นําสุขมาให้มอนในแง่หนึ่งก็คือว่า ก, ก, ก, กุศลธรรมหรือว่าความดีหรือแพ้ทั่งศีก็ตามเรเรียกว่าศี่ยถ้าประพฤติไม่ดีนี่ก็นำทุกข์มาให้ได้ น, นี้ยัยพิจารณากันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราทาผิดในสิ่งที่ถูกซะเยอะสิ่งที่ถูกแต่ทาผิดนี่ก็เกิดปัญหาเช่นศีลเนี่ยหรือว่าสมาธิเ น, นี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราทําผิดทําไม่ถูกมันก็ทําความทุกข์เช่นศีลเนี่เราทําไม่ถูกคือว่าทําแล้วก็เกิดความหลงตัว หรือว่าไปไปมองคนอื่นในแง่ลบยกตัวเองให้สูงขึ้นแล้วกดพใใินัยกรรมลงเพราะเขมีศิลน้อยกว่าเราอันนี้เรียกว่าเป็นทําผิดในสิ่งที่ถูกสมาธิก็เหมือนกันนะทําผิดในสิ่งที่ถูกก็ได้คือเจรวนสมาธิไปแล้วนี้มันเกิดความเพลินนะเกิดความเพลิดเพลิน ตัวมันทั้ไม่อยากไม่เป็นอันทำไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะทําอะไรทั้งสิน้นกายเป็นความไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบต่อกกางานในบ้านในครอบครัวเพราะว่าเพลินกับสมาธินะมันก็ไม่ถูกอันนี้เราทำเรื่องทำผิดในสิ่งที่ถูกแต่ถึงแม้ว่าในทางตงางัวท่านถึงแม้ว่าเราจะเจอความรู้ความเครียดควา ม, ว, า ม, ว, ามว่าวุ่นความกุ้มใจอย่างไรก็ตามหรือเจออุปสรรค นะเจอความยากลาบากแต่เราปฏิบัติดีปฏิบัติถูกนะมันก็กลายเป็นนําความสุขมาให้เช่นเจ็บหรือป่วยหรือวัตถุเข้าต่อว่าเกิดความคุนเคลื่องขึ้นมาใน ใ, นใจเสร็จแล้วเออเอาความมีสติเท่าทัานรู้รู้ทันในความในอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันในอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนะ เป็นมันตามที่เป็นจริงนะมันก็เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสติให้มีมากขึ้นหรือว่าเป็นเครื่องช่วยทำให้เราได้เกิดความอดทนขึ้นมาอันนี้อย่างต่ำๆคือมันได้เห็นเป็นมันได้เกิดความอดทนนะเกิดขันติขึ้นมาหรือว่าอย่างอย่างสูงคือมันได้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเพื่อเห็น ธรรมชาติความจริงของเรานะทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วยอมนำสุขมาให้ตนนะอยู่ประเด็นอยู่ที่ความประการประพฤติหรือพูดง่าการวางท่าทีหรือการจัดการกับมันนะนั้นมันจะวุ่นวายมันจะมันจะรอบข้างนี่มันจะเสียงดังยังไงก็ตามหรือว่ามันจะมีะความดีขั้นยังไงก็ตาม แต่ว่าถ้ า, าว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับมันด้วยสติด้วยปัญญามันก็สามารถที่จะเป็นเครื่องพัฒนาจิตพัฒนาใจได้เมื่อเป็นชนิดนั้นเราก็ไม่กลัวไม่กลัวสิ่งภายนอกไม่กลัวสถานการณ์ต่างๆเราไม่มีไม่มีความจาเป็นต้องหนีมันก็ได้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นจัดการกับมันให้ถูกถ้าเรารู้แบบนี้นี่ เราก็ไม่กลัวไม่กลัวความยากไม่กลัวอุปสรรคอย่างปีใหม่เนี่ยปีใหม่นี่คนก็พูดถึงก็ขอให้พูดถึงสิ่งดีๆนะพูดถึงสิ่งดีๆพูดถึงพรนะใครๆก็อยากได้ตรงนี้เพราะให้ได้เป็นของดีแต่ว่าคนไม่ค่อยได้คิดว่าเออ แล้วเราจะเกี่ยวข้องกับมันยังไงมันถึงจะดียิ่งขึ้นเราเป็นเน้นแต่เรื่องสิ่งที่ดีขึ้นกับกับสิ่งที่ดีจากภายนอกแต่เราไม่ได้เน้นว่าเออแล้วทำไมถึงเกิดสิ่งดีๆขึ้นใน จ, จิตใจของเราเพื่อที่เราจะจัดการกับสิ่งภายนอกให้มันเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าเราหัาให้ความสมนใจกับเรื่องของความฉลาดในการจัดการกับสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยถ้าเราก็ไม่กลัวไม่กลัวกระสงไม่กลัวความยากลำบากไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นหรือว่าประพฤติเกี่ยวข้องกับมันถูกฉลาดมันก็พาให้เกิดความเจริญได้พาให้เกิดความสุขได้ <c oughs> นี้วเนี่ยเราลองลองลองหันมาหันมาตั้งหลักเมื่อว่าเราเจออะไรก็ตามแทนที่จะแทนที่จ ะ, ททจะตัดสินว่าเออมันอย่างนี้ดีฉันชอบอย่างนี้ไม่ดีฉันไม่เอา อย่างี้ดีขออยู่มากๆอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีขอไปไกลๆหากสายไกลๆลองตั้งหลักไหมว่า เ, ออเราจะจัดการกับมันอย่างไรถึงจะเป็นการฉลาดเราจะจัดการกับมันกับมันอย่างไรที่จะเป็นเป็นประโยชน์อันนี้เรียกว่าประพฤติดีนะแน่นอนการประการที่เราจัดการกับมันต้องอาศัยธรรมะ อาศัยจัยกดการโดยโดยหลักธรรมด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความเมตตาถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นฐานเนี่ยเราก็จะไม่กลัวอะไรต่างๆที่เข้ามาที่เข้ามากระทุกกับเราเราไม่กลัวกุศลธราทำดีเกิดขึ้นเราจะไม่กลัวความทุกข์ที่มาปรากฏพอเรารู้ว่าถ้าเราประพฤติดีแล้วจัดการกับมันดีแล้ว มันจ่อนำสุขมาให้ความแก่ความเจ็บความล้มเหลวอุปสรรคแลวความสูญเสียทั้งหมดนี้ก็สามารถจะนำความสุขมาให้ถ้าเราจัดการกับมันด้วยประพฤติดนะีกับสิ่งเหล่านั้นให้คอยเข้าใจเรื่องความประพฤติดีให้ใช้ให้ใช้ ให้พิจารณาธรรมะข้อสั้นๆอยู่แล้วนะมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้นะี่เราก็จะสามารถก็จะมีแรงจูงใจในการเกี่ยวข้องเราสิ่งต่างๆได้จะเดินหน้าไปอย่างเดียวนะไม่กลัวความยากลำบากนะจะไม่หลบหลีเพื่อเนี๊ยหาความสบายหรือจะไม่เก็บตัว เพราะว่าฉันจะปฏิบัติทำรูปเดียวโดยไปคิดว่านี่คือขอความหมายของการการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแต่ให้เราลองมองไปในมุมที่กว้างขึ้นว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็เราจะเกี่ยวข้องกับมิสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องอย่างฉลาดลเปลี่ยน มันก็จะเรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้ทุกเรื่องทุกข์ก็จะกลายเป็นความสุขอย่างที่มีครูบาอาจารย์บางท่านจะบอกว่าาจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเข้าหาทุกข์ถ้าไม่เข้าหาทุกข์แล้ก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยอันนี้ก็สอนข้องกับพระสิทิที่บอกว่าถ้าอยากจะได้เสือก็ต้องเข้าท้ำเสืออยากจะได้ลูกเสือต้องเข้าท้ำเสือเข้าท้ำเสือแน่นอนต้องเจอแม่เสือแต่ว่า ในนั้ก็ไม่มีทางได้ลูกเสือมาเลยแล้วก็ชาวนี้ก็พอสมควรแก้วเวลาก็ตาพร้อมกัน